นมัตุรัตนตยัตยะขอนอบน้อมแด่พระรัตนใจแต่ก็ขออำนวยพรกับทุกๆคนที่ได้มาเข้าอบรมอาณาปานสติครั้งที่เท่าไหร่หกสิบสามในวันนี้นั่งตามสบายเรื่องศาสน า, าพิธเีเมื่อตกี้เวลาเราทำเนี่ยจริงๆของเราเดินละครั้งนี่ ทุกคนต้องควรจะฝึกเป็นผู้นำในด้านศาสนาพิธีให้ได้มันมก็มีอะไรมากก็มีอารัตไว้บูชาพระอารัตนารีลอารัตนาพระปริษอารัตนธรรมถวายสังฆทานแค่นั้นถวายเข้าพระพุทธคือถ้าถามว่าทุกคนทำได้ไหมเป็นหมดอ่ะคลอเพื่อน ถ้ามีใครขึ้นมาสักคนแล้วโอ้โหใส่เป็นหมดอะแต่เราควรจะทำให้เป็นนี่ไปบางงานบางทีจะมาเป็นทั้งขอศีลเองฮะบางทีก็ถวายทานเองรับเองคือเราควรจะเป็น พอเราเราเดือลรักครั้งนี่มันควรจะเป็นเป็นแล้วเหมือนอ่ะคนคนเดินเรือเป็นทุกคนอะ่ะคนอยู่ในเรือเดินเรือเป็นทุกคนแต่จะเอามาเป็นต้นหนไม่ได้เหมือนกันน่ยอารัธนาเป็นทุกคนนะแต่ให้มาเป็นหัวหน้าไม่ได้เพราะความมั่นใจไม่พอใช่ไม้มได้ไหมนี่อารัธนาสีได้ไหม <S <S สันหัวทันทีแต่ตะพงถ้าพอคนอื่นกลัวกลัวใช้ว่าดิ ถ้าบางคนอื่นก็ขึ้นมาเมื่อใดแล้วก็ใส่หรืนี่นี่ได้ไหมอรัตนาศตรได้ไหมอรัตนาวิปว ป, ปติได้ไหมอรัตนาธรรมได้ไหมเออมันจัดต้องชัดเย็นอย่างงี้เนี่ยมันต้องมันต้องได้ศา ส, สนพิธีมันเหมือนกับอะไรอมันเหมือนกับลวดน้า ที่ขึงไว้ในแปลงถั่วไม่ให้ลิงไม่ให้กระต่ายไม่ให้อะไรต่างๆเข้าไปกินได้เหมือนกันเหมือนเรานับถือพุทธศาสนาเราเป็นคนปฏิบัติธรรมเนี่ยศาสนาพิธีมันจะเป็นเสมือนรั้วที่คอยขึงเราไว้อา้าวเพราะอะไรเพราะมันจะต้องนึก ต้องท่องต้องทวนอยู่สม่ำเสบอมันจะทําให้ใจเราไปไปไปคิดไประลึกถึงแต่ในเรื่องในเรื่องเส้นทางของเราทีนี้มันมีน้อยคนนะที่เป็นศาสนาพิธีและจะขี้เมาที่มันนั่งเล่นแทงไหโลอยู่เพื่อเราไปบอกเฮ้ยถึงพิธีพระแล้วมึงไปไปนำใบพระก่อนไม่ค่อยมีอ่ะที่จะต้องไปดึงมาจากวงไหโลที่จะต้องไปดึงมาจากวงเล่าที่ต้องไปดึงมาจากนั้นไม่ค่อยมีนะ พอสาธารณะิธีมันเป็นแล้วเนี่ยมันจะต้องปรับภูมิตันเองแต่งตัวแต่งอะไรมันก็ต้องให้สะอาดสะอ้านนะเออแล้วเด็กๆรุ่นรุ่นเนี้ยรุ่นเนี้ยรุ่นเนี้ยรุ่นเนี้ยไปในงานลงนึกภาพเลข้างหน้าเนะี่ยมีแต่คนรุ่นเนี้ยพอถึงเอา้าวเยาภาพจุดทูปเทียนจุดทูปเทียนเยนสร็จเสร็จแล้วทุกงานจะสังเกตถ้าไม่มีพิธีกรโดยเฉพาะนะหันหน้ามองมึงมองกูกันอย เอาสิบางทีก็ใส่ส่งก็เอาสิเอาสิเอาเอาเอาสิออกไปเอาเลยเอาเลยเอาเลยเนี่ยยุ่แต่คนอื่นนะแล้วมันมีสักคนไหมเนี่ยรุ่นเนี้ยรุ่นน่ะบีรุ่นน่ะเบิ้ลรุ่นวันทาเนี่ยคุปโคาคลานออกไปถึงอยู่หน้าโต๊ะมูอกราบพระเสร็จอ่ขอเชิญบูชาพระพร้อมกันนะคะแม่มันดูเลยมันน่ารักนะครับไปอย่างเงี้ยดูว่า พระก็ชมคนแก่ก็ชมเทวดาก็ชมสัมภเวสีผีหาซาตานไม่กล้าเข้าไปยุ่งมันดีไหมละ่ะมันเป็นมงคลน่ะดีไหมทองใ้แม่นๆนเวบีได้ยังฮะถูกต้องเพิ่มได้ยังทองให้ได้บรรทารบรรทารหลวงพ่อก็ฝึกมาหลายครั้งแล้วเนี่ยมัน มันได้หลายบทเลยนะแต่ว่าต้องนำหน่อยมันต้องได้เราจะต้องได้สาสนะพิ ธ, ธีสำคัญบางทีมันเป็นเครื่องเลี้ยงใจเราอะเวลาใจเรามันจะนอกลูนอกทางเ้ยมันมันมีพรมมายามว่างๆใช่ไหมคนอื่นก็เดินไปถึงก็หำเพลงนนเพลงนี่หำเพลงนั้นเราก็ ร่มมาจากโลกกาที่ปต yes ิสัมพันธ์เราก็หำได้เว้ยใช่ไหม วิปติปติพาหายะสัพพสัมปติสิทธิยะงำได้ไหมล่ะเเราก็ไม่ต้องไปเที่ยวนูนนี่นั่นนีย่กะแยะ่ะไปคือมันจะทำเป็นเครื่องเลี้ยงใจเหมือนกระรัวเหมือนรัวที่เราขึงแปลงผักไว้นะ เออมันไดรักษาตัวเราได้แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นไปงานไหนงานไหนบีกันห้าหน้าเลยญาติฝั่งป้าใช่ไหมไปถึงพ่านั่งรอเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวถึงเวลาแล้วพระมาพร้อมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเดี๋ยวรบีก่อนอ้าวทำไมอ่ะมันไม่มีคนอรัตนาเนี่หรอมันสําคัญขึ้นมาทันทีอ่ะท่องไม่ได้นะเดี๋ยวเดือนหน้าหลวงพ่อจะเทศเทศหมดแล้วเนี่ย พ ว, พวกอยู่ในวัยบีวัยเปิ้ลวัยวันทาขวงนี้น่าจะได้กันหมดแล้วมั้งหรือไม่ได้มาลีได้ไหมฮะเออรุ่นนี้ไม่ได้อ่ะ แ, แปลก ไ, ได้อ่ะไม่แปลกเพราะว่าเราไม่ให้ความสำคัญบางคนบอกโอ้ยศาสนาพิธีมันเป็นเรื่องที่ฟุ้งเฟ้อมันก็เอาแค่พอดีพอดีไอ้แบบ พอเออหลวงพ่อว่าให้ท่องโอ้โหไปท่องเสี้ยมาเป็นเล่มสองเล่มตายเลย <c oughs> เอาที่สําคัญสําคัญน่ะใช่เพราะว่ากว่าจะได้ตั้งบูชาพราะนี่ต้องโอ้ยอารมพอบดสวดนํำจนคนเมื่อยแล้วอย่างนั้นก็เกินไปใหญ่มันเยอะๆเอาแค่พองามพองามพันศาสนพิธีนี่สําคัญเหมือ น, นเดี๋ยวนี้เราใช้คติว่าอะไรมันอยู่ที่ใจ ทิ้งสิ่งสำคัญสำคัญออกไปหมดเลยพอสิ่งสำคัญสำคัญมันออกไปหมดอะไรก็ไม่สำคัญสุดท้ายมันไม่เอานะใจเราเนี่ยโบราณอาจารย์บรรพบุรุษเราที่เ็าวางไว้เป็นเรื่องเป็นราวแม้แต่ลอยกระทงเมื่อวานเนี่ยเห็นไหมลอยกระทงเนี่ยที่ บ, บรรพบุรุษของเรารุ่นก่อนๆที่เขาทำไว้เพื่อผูกเรื่องสำคัญสาคัญไว้ให้เรา อพอมาโคนรุ่นใหม่มันไม่ค่อยเอาเอามันก็ไปทําจนเละเทะรลอยกระทงมันทำเละลอยกระทงมนันเละเทะไปหมดเลยอรั่วอะไรไปม่วกรั่วกันไปหมดเลยจนพังนี่อะไรก็ตามถ้าไม่รักษาระเบียบแบบแผนไว้บ้างมันก็พังรักไม่รักษาระเบียบแบบแผนไว้ได้มันก็พังพังหมดนั้นทุกอย่างที่เป็นประเพณีวัฒนธรรมทุกอย่างมันจะเป็นมันมีแก่นอยู่ข้างในเหมือนสมัยก่อนแถว บ้านนันตมาวันฉาติเดือนสิบอะ่ะสมัยก่อนนี่ก็วันนี้ขึ้นมะพร้าวทุกบ้านมีมะพร้าวไหมเอาวันนี้ขึ้นมะละกงแหกันไปขึ้นมะพร้าวมาถึงก็ขูดเบกระต้ากันไปเลยแต่บ้านก็เรียกเหล็กขูดของใครของมันกันตามแต่ถนัดแล้วบางคนมันนั่งของคนดื่นไม่ถนัดแต่นั่งของตนเองแล้วมันขูดได้เป็นวันเป็นคืน <c oughs> ก็ไปกันเลย กูรุ่นนุกสนานทุกรุ่นเลยในนั้นนะมีทั้งรุ่นเด็กวัยรุ่นวัยครองเรือนแก่ทุกรุ่นมาอยู่ในวงเดียวกันมันทําให้เกิดอะไรรู้ป่าเขาเรียกว่าสังคมผสานเกิดกันคนแก่ก็ได้ฟังอารมณ์ของคนหนุ่มคนหนุ่มก็ได้ฟังอารมณ์ของเด็กเด็กเด็กเดก็ได้ฟังอารมณ์ของคนแก่แก่ที่ก็คุยกันคุยคุยกันก็คุยกันอืม พอขูดมะพร้าวเสร็จเคี่ยวมันออมเอามะพร้าวเนี่ยใส่กระทะแล้วก็เคี่ยวออกมาเป็นน้ํามันน้ํามันมะพราะ้าวสําหรับที่จะไปทอดลาทอดพองพอไปถึงวันทอดลาเข้ามาก็ดีครับวันนี้ทอดบ้านโยมศีรษะกบเปยกันมาเลยทอดกันเลยเอาวันนี้ทอดบ้านโยมอารุณรัตน์ก็เปยกันนะเออแล้วเด็กวัยรุ่นที่เขามีความขัดแย้งกัน ผู้ใหญ่พูดปึ๊กเดียวจบตักเตือนกันได้พังผลแล้วมันแบ่งความเคารพจะเป็นตัวแบ่งไม่ใช่ความรวยความจนความเคารพจะเป็นตัวแบ่งระดับของคนเป็นสังคมที่โอ้โหดีมากเลยต้นทุนในการใช้ชีวิตต่ําหรเพราะค่าใช้จ่ายมันน้อย น้อยมากอดีมากสังคมแล้วมันถูกพวกนี้จะถูกรักษาไว้ด้วยประเพณีวัฒนธรรมแย่ดีมาถึงยุคเราเนี่ยพังหมดพังหมดเราทำลายทำลายโดยไม่รู้ตัวโดยเข้าใจว่านี่คือการพัฒนานี่คือความเจริญโดยเฉพาะตัวเคารพความเคารพมันเปตัวแบ่งความพรพเป็นเสมือน เส้นยางใหญ่ที่จะรัดรึงสังคมให้อยู่ด้วยความผาสุกคืออยู่กันได้คนรวยคนจนคนคนอะไรต่างๆในอยู่ร่วมกันได้อย่างสง บ, บ, บความเคารพแล้วก็สังคมก็จะเข้มแข็งก็เือเล่าให้ฟังแฟนวัตชีเคย่าแฟนวัตชีอ่ะกษัตริย์ลิชวีก็ปกครองด้วยระบบ ราชาที่ปตัตตยคือคณะของพระราชาเป็นคณะคณะคณะคณะก็ะปกครองแฟนว่าจีมหาอำนาจอย่างแฟนมคตพระเจ้าชาต ร, ตรูนี่ยกทัพไปหลายครั้งตีไม่ได้ขนาดเป็นแฟนเล็กๆนะเจาะไม่เข้าตีไม่ได้ในที่สุดไม่รู้จะทำยังไงพระเจ้าชาตรตรูปรึกษากับพวกมหาหมัดจะทำยังไงก็ ต้องส่งเข้าไปศึกษาว่าแฟนวชีเนี่ยมันเข้มแข็งได้เพราะอะไรทาไมมันถึงโหมันแข็งแกร่งเหลือเกินก็ส่งวัสการพรามณ์ที่เราเคยได้ยินคําว่าวัสการะพราม์เนี่ยเนี่แหละไอ้ตัวนี้แหล ะ, ต, หละตัวร้ายเป็นปุโรหิตประจําแฟนมคธเลยเก่งมากวัสการพรามณ์เนี่ยพระเจ้าชาติทุก็วางแผนกันวัสการพรามณ์บอกว่าให้ประชุมมุคอะหมัดสนาทั้งหมดเลย แล้วตัวเขาเองจะเสนอให้ไปตีแฟนวัชซีและพระเจ้าชาติตรูไม่เห็นด้วยพอพระเจ้าชาติตรูไม่เห็นด้วยตัวเองก็จะยืนกรานแล้วให้พระเจ้าชาติตรูนั้นลงทันดูแผนเขาแผนของวัสสกระพราม์ก็เสนอไปเสร็จตัวใพระเจ้าชาตตรูก็กริ้วลลงทันสั่งให้โบยวัสสกราพราหม์เลือดทิปเลยหลังเป็นแผลหมดเลยจากนั้นก็เนรเทศอืม ขา ว, ว่าวัาศกรพราหมณ์ถูกขับออกจากเมืองดังเพราะก็เป็นอาจารย์ใหญ่เฟนวัชีอาแขนรับเพราะเฟนวัชีนะ่ะเขามีจะกดอยู่ข้อหนึ่งข้อสุดท้ายว่าจะอุปถัมบำรุงพระอริยะสมณะที่ปรับปรึกดีพร้อมทั้งคนดีๆที่ยังไม่มาขอให้มาที่มาแล้วเขาเหล่านั้นจะต้องอยู่อย่างเป็นสุขข้อที่เจ็ดขข้อสุดท้าย เพราะฉะนั้นเมื่อวัศกรพราม์ถูกไล่ออกจากกรุงเวสนมคตได้เดินทางผ่านไปเฟนวันชีก็อ้าแขนรับเลยก็ขเข้าไปถึงก็ศึกษารู้ว่าเฟนวันชีเข้มแข็งเพราะมีข้อปฏิบัติเจประการและเป็นไปในทางเดียวข้อแรกมันประชุมกันเนืองนิด เมื่อประชุมก็พร้อมเพียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพียงกันเลิกและจะต้องพร้อมเพียงทําในมติที่ประชุมออกมาแล้วด้วยความเคารพนี่ข้อหนึ่งเมื่อประชุมก็พร้อมเพียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพียงกันเลิกและพร้อมเพียงช่วยกันปฏิบัติตามมติของที่ประชุมด้วยความเคารพก็อนี่สําคัญนะเพราะเขาปกครองเหมือนบ้านเราอ่ะโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยแต่ไม่ค่อยประชุม คือแกนุตินนท์เขประชุมบ่อยต้องประชุมบ่อยๆทุกเรื่องที่จะต้องตัดสินใจจะต้องผ่านมติที่ประชุมกฎข้อที่หนึ่งของก็รักษาอย่างเข้มแข็งเลยสองไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่มีอยู่ไม่ถอนสิ่งที่มีอยู่คืออะไรที่ไม่ดีนี่จะไม่บัญญัติเขียนเข้าไปอะไรที่จะดีๆเนี่ยที่มีอยู่นี่ต้องรักษาอย่างเข้มแข็ง แล้วก็เคารพนับถือเชื่อฟังผู้เป็นประมุขผู้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เท่าผู้แก่ลดหลั่นกันลงไปนี่สำคัญมากที่สำคัญก็คือว่าไม่รังแกสตรีเพศแั้นในแฟนวัญญชีจะไม่มีค ด, ดีสามีตบตีภรรยาหรือการฉุดคร้าคมเหงน้าใจสตรีไม่มีในแฟนวชีเขาเข้มแข็งเพราะว่า ไอ้เกียรติสตรีมากแล้วก็นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่เป็นของโบราณโบราณเช่นเจดีศาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีการนับถือกันมาเนี่ยให้ความเคารพแล้วนับถือรักษาธนุบำรุงไว้แล้วก็ส่งเสริมคนดีๆประกาศคนอีใครทําดีจะถูกประกาศ มีความดีปรากฏชัดเจนนี่จะถูกประกาศในแฟนวัชิก็คงคงจะคล้ายๆกับของเราสมัยนี้นะอะไรดีๆก็ประกาศอะไรดีๆก็ประกาศสมัยโน้นแล้วใครดีๆตื่นตื่นขังเข้ า, ขามาเนี่ยโอ้ยจะอ้าแขนรับคืออยู่ในลักษณะเจ็ดประการนี้เข้มแข็งใครก็เจาะไม่ได้วศัาากดิ์ารพรามเข้าไปถึงเข้าไปถึงก็สแสดงผลงานโชว์วิสัยทัศน์จนเป็นที่ยอมรับ ของชนชั้นปกครองในที่สุดก็ถูกยกให้เป็นครูสอนราชบุตรราชธิดากุลบุตรกุลธิดาตามสำนักต่างๆแลวก็ยัดเยียดข้อมูลความรู้ที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนใส่เข้าไปในเด็กและเยาวชนที่เป็นราชกุมามรที่เป็นคนสำคัญสำคั ญ, คญตามสถาบันต่างๆแนะการทำาที่ผิดจนเกิด ในคณะประการปกครองเนี่ยเกิดการทิฐิมานะแล้วก็ทดลองเทศยังไง ร, รู้ปะลั่นสัญญาณ น, นัดประชุมครั้งแรกเมือ่อก่อนนี่พอสัต์สัญญาณประชุมดังปุ๊ บ, บไม่ใช่ไม่ใช่พอเข้ามานั่งเสียงประตูแอเดี๋ยวเดี๋วก็แอไม่ ม, มีปุ๊บพร้อมปุ๊บพร้อมพอต่หลังนี่ วัส ก, การพรหมณ์ก็เทศโดยกันลั่นสัญญาณระฆังนัดประชุมพอ ป, ประชุมปับ๊บหลงเหลงก็อีว่างอีกครั้งที่หนึ่งนัดประชุมครั้งที่สองหลงเหลงอีกพอครั้งที่สามต้องเสนอความเห็นพอความเห็นเสร็จมีมติออกมาก็ไม่ค่อยทาตามต่างถือเป็นทิฐิมานะวัส ก, การพรหมณ์เลยรู้ว่าตอนนี้ถึงจุดที่แคว้นมคตต้องยกทัพมาแล้ว พระเจ้าชาติตรูก็ยกทัพมาข้าแฟนวัดีนถึงพอแจ้งว่าข่าศึกมาข้าศึกมาข่าศึกมาเนี่ยต่างควายต่างถือทิศ ท, ทีกันฮะไม่ออกรบวัดสกกระร้ามก็เดินไปเปิดประตูให้พระเจ้าชาตูตนําทัพข้ามาสู่แฟนวัดีได้ง่ายๆเสียแฟนสิ้นชาติเพราะทําลายทําลาย สิ่งดีๆที่หล่อหลอมให้ตนเองได้เป็นชาติเป็นชาติอวิชีหรือว่าเกิดขึ้นมาเป็นเพชรวิชีเพราะมีสิ่งดีๆได้หล่อหลอมตนเองขึ้นมาจนเป็นชาติแล้วทําลายสิ่งเหล่านั้นจนตัวเรื่องตัวเองต้องเสียเอกราชและสิ้นชาติไปในที่สุดเพราะฉะนั้นเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีอะไรต่างๆเนี่ยเราจะไปว่ามันอยู่ที่ใจไอ้นั่นก็อยู่ที่ใจฮะไอ้นี่ก็อยู่ที่ใจ ไอ้นอนท์ก็อยู่ที่ใจไม่ได้สุดท้ายมันเป็นการทําลายและเราก็ไม่สามารถไม่สามารถที่จะไปรื้อฟื้นคืนมาได้ไอ้เสียสิ่งของเสียความรู้สึกด้วยด้วยด้วยสิ่งเหล่านี้แล้วมันรื้อฟื้นคืนไม่ได้ในที่สุดทุกฝ่ายต้องยอมรับชะตากรรมแล้วก็สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ขึ้นมา เพื่อที่จะเรียนรู้กันต่อไปแล้วในประวัติศาสตร์หน้าใหม่มันก็จะมีสิ่งดีๆขึ้นมาแล้วก็ทำลายสิ่งดีๆเหล่านั้นในที่สุดพื้นที่ทั้งหมดของเราก็จะสูญเสียให้กับความไม่ดีไปความไม่ดีก็มายึดพื้นที่เราไปหมดไอคนที่พอรู้สึกตัวสานึกอยู่ได้บ้างก็นั่งหวังอยู่แต่ว่า เ, ออเดี๋ยวกรรมมันก็ลงโทษ เ, เดี๋ยวกรรมมันก็ลงโทษ <laughs> ไม่รู้ลงโทษใครเนาะ <laughs> เดี๋ยวกรรมมันก็ลงโทษนี่ตั้งฝ่าย คนนันกกก้ก็รู้สึกว่าตัวเองดีไอควายหนึ่งก็รู้สึกว่าตัวเองดีมันไม่มีใครเสียไอทําทไงวะอ้าวนุก็พินก็นู้ว่าตัวเองดีใช่ไหมหลวงพ่อก็ว่าหลวงพ่อดีอ่ะแล้วมันไม่มีใครเสียใช่ไหมไอทำไมมันเข้ากันไม่ได้วะดีกับดีอ่ะเพราะอะไรฮะ เพราะสัญญาที่ต่างกันอะไรคือสัญญาความรู้ข้อมูลเขาเรียกว่าเป็นด a ต a าแมมเบรรี่ที่ต่างกันต่างกัน่ะละ่ะเออไอไพรวันเนี่ยเกิดมาตอนเกิดมามีเวฟ้ายัางไม่มีใช่ไหม เออรู้จักไม่เกียงข อ, อกอะถ้ามีถ้าเกิดมามีไฟฟ้ามันไม่รู้จักแล้วอืมข้อมูลมันต่างกันไงอย่างในปัจจุบันนี้ถ้าสมมุติว่ารุ่นรุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นรุ่นหกสิบเนี่ยรุ่นเราเนี่ย ย, ยังไม่ถึงหกสิบก็ รุ่นพวกนี้เราได้เห็นสิ่งต่างๆเยอะและสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นข้อมูล <ม Bene. S 1> ให้กับเรา <iew S 1> ไอประวัติศาสตร์ในชีวิตเรามันจึงมีสิ่งเหล่านี้แหละเป็นดาต้าอยู่เป็นข้อมูลอยู่เพราะการมองมันจึงมีข้อมูลที่มีเดิมเดิมเนี่ยแหละเป็น เป็นรายละเอียดในการตัดสินใจงั้นดีของเรามันจึงเป็นแบบหนึง่งแต่พวกรุ่นใหม่ที่เกิดมาพอลืมตาปั๊บไอแพดตั้งอยู่ข้างหูซ้ายมันยังไม่ทันฟ้อมได้เลยมันหัวเราะดิ้นกึก ก, ก, กึกกับหน้าจอของโทรศรรัพท์อย่างเงี้ยมัน ข้อมูลมันเหมือนกันไหมมันไม่เหมือนกันแล้วอืมข้อมูลเขามันไม่เหมือนกันว่าการตัดสินใจมันมาจากข้อมูลอีกแบบหนึง่งมันจึงเกิดคำพูดที่ว่าสัญญาต่างกันความรู้ของคนจะต้องมีสามชั้นหนึ่งชั้นของสัญญาวิญญาและปริญญาสัญญาก็คือสุตตามายาปัญญา คือข้อมูลที่เจอ ก, ก, การศึกษาการเรียนการรู้การดูการเห็นซึ่งตรงนี้เรียกว่าสัญญาต่างกันไหมต่างกันแ้วเพราะฉะนั้นเมื่อตรงนี้ต่างกันเนี่ยความรู้ชั้นที่สองก็คือตัววิญญาคือการรู้จักเมื่อกี้นี่มันรู้จาตัววิญญาณนี่คือการรู้จักรู้แจ้งมันเอาข้อมูลอะไรมารู้จักก็เอาข้อมูลมาจากสัญญาใช่ไหม มาทำการรู้จักตัววิญญาก็ต่างกันแล้วในที่สุดปริญญาก็ต่างกันปริญญาคือตัวที่จะให้รู้รอบรู้รอบครอบรู้ทั่วมันก็ต่างกันแล้วเพราะมันเติบโตมาจากข้อมูลที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นจึงมีคำพูดที่บางคนพูดว่าไอ้ข้างบนเนี่ยหมายถึงว่าพวกที่รู้ก่อน่ะ พวกที่มีรู้ก่อนพวกรู้ก่อนพวกเก่าเก่าแก่แกทั้งหลายแหลเนี่ยต้องหัดหัดเปิดใจเรียนรู้ยอมรับเชบ้างส่วนไอ้พวกใหม่ๆนี่ก็หัดเปิดใจเรียนรู้ยอมรับเชอบ้างเรียนรู้ในใ น, ในกันและกันมันก็จะทําให้เกิดการเข้ากันได้ทางนี้ทางเดียว เท่านั้นในระหว่างเจนนะ <c oughs> นเจนเดียวเราเจนเดียวนะเจนเดียวปะเฮ้ย <c oughs> คนละเจนกันนะให้เราน่าจะอยู่เจนนี้ <c oughs> <c oughs> ในระหว่างเจนเจนตดเจน <c oughs> มันจะต้องเข้ากันได้ได้วยการเปิดใจในการเรียนรู้เพราะมันไม่มีหลักสูตรมันไม่มีศาสตร์เนี่มีอยู่ตีโอดีอยงตัวหนึ่ง ตัวหนึ่งที่จะลอล้อมในระหว่างเจนต่างๆเนี่ยเข้าได้กันได้ยกตัวอย่างเกิดขึ้นตอนนนร้อนเมื่อคืนหวานนี้ตุรกีกับกรีกไม่ถูกกันไม่ถูกกันนะไม่ถูกกันเกิดพาดินไหวเจ็ดจุดหนึ่งลิตรแล้วเกิดแผ่นดินถลม่มเกิดสึนามิขนาดย่อม ตึกถลมทั้งตุรกีเลก็กกประสบกับความทุกข์จากภัยนี้หันหน้าเข้าหาและกอดคอกันร่ำไห้เพราะฉะนั้นตัวที่จะสมานเจนต่อเจนเข้ากันได้ดีที่สุดคือความทุกข์ ถ้าเจนนี้กับเจนนี้เราคนละเจนเราไม่ถูกกันเนาะไม่ถูกกันนะทวกคนอะ่ะเราทองคนไม่ถูกกันเราคนละเจนกันแล้วไปนอนอยู่โรงพยาบาลฮอกเุยเฉนเตียงใกล้กันอเอ็งก็ขาขาดเ <c oughs> นาะเราก็แขนขาด <c oughs> เราก็ขยับไม่ได้เอ็งก็ขยับตัวไม่ได้ แต่ตาตายังพอจัหันไปมองกันได้ความแค้นมันจะค่อยหายหายไปเมื่อความทุกข์มาขยี้มันเหลือแต่ความเห็นอกเห็นใจฉั้นสีทั้งหลายจะสลายได้ด้วยทุกข์ <c oughs> <c oughs> ฉนั้นบ้านเราเนี่ยก็ถ้าเกิดมีความขัดแย้งนะถ้าเกิดมีความขัดแยง้งแล้วตีกรอบเอาความทุกข์โยนใส่ตูมเข้าไป แล้วขังไว้ทุกเจนวิ่งหนีไฟประไลกันที่กำลังไล่ลุกไหม้เผาผลาญแล้วในที่สุดมันไปไหนไม่ได้มีแต่ร่ำไห้แสบไหม้ผุพองคร่ำครวนเมื่อถูกความทุกข์นั้นขยี้เข้าไปแล้วในที่สุดมันจะรักกัน สลายความขัดแยงเออความทุกข์สลายความขัดแยงพระพุทธเจ้าเป็นาศาสดาผู้ประเสริฐเป็นบรมครูเพราะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรฮะเพราะพระองค์<ะ>สอนเรื่องทุกข์ทุกข์ที่พระพุทธเจ้าสอนมีสีไหม มีชนชั้นไหมไม่มีเพราะถ้าทุกที่พระพเจ้าสอนยังมีชนชัน้นแสดงว่าไม่ใช่ทุกขสัต์เข้าใจปะทุกที่พระพุทธเจ้าสอนถ้ามีชนชัน้นไม่ใช่ทุกขสัต์เหตุของความทุกข์ที่พระพุทธเจ้าชี้ถ้ายังมีชนชั้นไม่ใช่สมุทัยสัตว์ความดับทุกข์ที่พระพุทธเจ้าตรัสถ้ายัชชงมีชนชัน้นแบ่งแยก ไม่ใช่นิโรธสัตว์ทางเดินก็ปฏิบัติสำหรับที่จะให้ถึงความดับทุกข์ที่พระพุทธเจ้าสอนถ้ายังมีแบ่งแยกยังมีชนชั้นไม่ใช่มรรคสัตว์เพราะฉะนั้นในอริยสัตว์ที่มันเป็นอริยสัตว์อยู่ได้เนี่ยเพราะมันสลายทั้งหมดเลยมุ่งตรงไปที่ไหนอะ มุ่งตรงไปที่รูปและนามปราศจากการบัญญัติเลยบัญญัตินี่แกะออกไปแกะออกไปแกะออกไปแกะออกไปเหลือแต่รูปนามกายใจทุกที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นอยู่ในนั้นไม่ใช่อยู่ในพระราชาไม่ใช่อยู่ในอามาตย์ไม่ใช่อยู่ในพระไม่ใช่อยู่ในคารวาตไม่ใช่อยู่ในคนดีไม่ใช่อยู่ในคนชั่ว ไม่ใช่อยู่ในคนสูงคนต่ำไม่ใช่อยู่ในคนรวยคนจนแต่อยู่ในรูปนามนั้นไม่ว่าเราจะเป็นคนรวยหรือจนขอเพียงแค่เป็นรูปเป็นนามเราก็จะมีทุกข์สัตย์เหมือนกันเหมือนกันพอพระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกข์ที่ไม่มีการแบ่งแยกมันจึงเกิดเป็นความเข้าใจ คนชั้นสูงฟังก็เข้าใจคนชั้นล่างฟังก็เข้าใจคนรวยฟังก็เข้าใจคนจนฟังก็เข้าใจ เ, ออเมื่อใครเข้าใจแล้วอำนาจของทุกพลังของทุกที่บดขยี้ต่อรูปต่อนามนั้นมีเหมือนกันเท่ากันไม่ใช่ว่ารวยจะทุกข์มากจนจะทุกข์น้อยหรือจนจะทุกข์มาก รวยจะทุกข์ม้อยไม่ใช่รวยกับจนใครทุกข์มากกว่ากันนะนทาฮะฮะไมะ่รวยหรือจนไม่ใช่สิ่งที่จะบ่งชี้ว่าทุกข์มากหรือทุกข์น้อยเพราะทุกข์ที่พระพุทธเจ้าสอนอมีสองแบบแบบหนึ่งเรียกว่าสภาวะทุกข์แบบหนึ่งเรียกว่าปะกินนกักาทุกข์ แบบที่ชื่อว่าสภาวะทุกคือทุกประจํารูปนามคือเธอจะรวยจะจนจะสวยจะขี้เร่ก็จะต้องมีทุกข์ที่อยู่ประจํารูปนางแต่ทุกคนจะโสดหรือไม่โสดก็เหมือนกันจะมีอาจจะมีลูกไม่มีลูกก็เหมือนกันมีคู่หรือไม่มีคู่ก็เหมือนกันโสดหรือก็เหมือนกันคือเรียกว่าทุกสภาวะทุกนี้เรียกว่าทุกประจํารูปนามมีอะไรม้าง ฮะอะไรนะเฮ้ยนี่อะไระชาติปีทุกขาชราปีทุกขามรณะปีทุกขงังเท่านั้นหัวรวอะไรเนี่ย ฮะไม่ใช่อ่ออ่อไม่เนี่ยชราปิทุกขาคือความเกิดเป็นทุกขมรนามปิทุกขังคือเออชราปิทุกขาคือความแก่เป็นทุกขมรนามปิทุกขังคือเป็นทุกอันนี้เรียกว่าสภาวะทุกขเป็นทุกข์ประจํารูปนาม จะสมมุติว่าชื่ออรุณรัตสมมุติว่าชื่อไพรวันสมมุติว่าชื่อศรีศักสมมุติว่าชื่ออมรอรัตอะไรเถอะท่อะไร อ, อ, อไรันนัตสมมุติชื่ออะไรก็ช่างเงอะก็มีชาติปิดีะชาติปีทุกขาชราปีทุกขามรน้มปีทุกขังเหมือนกันใช่ไหมเอออันนี้ประเภทที่หนึ่งเหมือนกันเลย ขอเพียงแค่รูปนามนี้หันมาสนใจความทุกข์ที่เป็นทุกข์ประจาต่อรูปนามนี้รู้จักทุกข์ที่เกิดจากความเกิดทุกข์ที่เกิดจากความแก่รู้จักทุกข์ที่เกิดจากความตายก็จะเห็นสภาวะทุกข์เห็นทุกข์ที่เกิดประจากับสังขารนี้เหมือนกันเท่ากันรวยแล้วแก่ไหม รวยแล้วตา ย, ยตหมเออจนนี่แก่ไหมจนตายไหมเออเนี่ยนี่เรียกว่าสภาวะทุกข์ทุกประการที่สองเรียกว่าปกิณกะทุกข์หรืออคันตุกะทุกข์อคันตุกะแปลว่าแขกปกิณกะแปลว่าเบ็ดตเตล็ดอืมมันเกิดซ้อนขึ้นมาในสภาวะทุกข์ คือในทุกที่เกิดแก่และก็ตายเนี่ยมันจะมีตัวซ้อนเข้ามาบางคนก็มีมากบางคนก็มีน้อยเอออย่างอย่างเนี้ยอกหักเคยทุกอกหักไหมเคยไหมเออนี้ไม่เคยไงเห็นไหมเออมมันคือในอาการอากาตุ ก, กะเนี่ยเหมือนบ้านเราเนี่ยบ้านเรามีคนอยู่ในบ้านตามสบาลิตที่เราเนี่ยสามคนใช่ไหม นายอนายขนายขแต่บ้านนี้บ้านเลขที่นี้ใช่ว่าจะไม่มีคนคนเข้าออกบ้านนี้เยอะมากเพราะเป็นแขกไงขยัอแต่ว่าบางบ้านก็ไม่ค่อยมีมีแต่เจ้าบ้านที่มีแต่คนที่อยู่ในบ้านนั้นนะนอกจไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเหมือนนี้อกหักเนาทุกองกงานใช่ไหอกหักนี่คืออาคารตุกะทุกนะ เพระาะบางคนไม่มีใครที่ไม่เคยยกมือเราจะยกก็น่าเกียดโอ้โหม่เหมือนกันเลยเหรอเออเนี่ย อ, อกหนักระคุธรพระพุทธเจ้าเรียกในบาลีว่างไงโสกะปริเทวะอ ท, อท่ทองสิ ท, อท่องสิท่องสิอาอท่อง โสกปริเทวตุกมตุบายาปิุกะอิเยหิสัมปโยโคทุโยหวิปโยโคุโยัมปิจังนัลภัตติตัมปีุขังยางยังสังไม่ใช่ะนั่นอะไอตทยยัมยมจังนัลัตติ ตามปีตู่ข้างเพืปรารถนาสิ่งใดเมื่อไม่ได้ในสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์อันนี้เป็นเบตตร์เล็ตทั้งนั้นโศกะโศกะความโศกความร่ําไรรําพันความพลัดพราดจากสิ่งที่รักอะไรนะปีอับปีเยฮิซัมปโยโคทุโคความพลัดพราดจากสิ่งที่เป็นที่รักเอที่พอใจ ความไม่ได้ในสิ่งที่รักที่พอใจความปรารถนาสิ่งใดก็ไม่ได้ในสิ่งนั้นเป็นทุกข์นี่พวกนี้เป็นอาันรตุกกะนะแล้วมันยังมีอีกเยอะนะเออยังมีอีกเย อ, ะ เ, อยะเพื่อนยืมตังทุกเพราะเพื่อนยืมตังเออทุกเพราะว่าไปกู้แบงทุกเพราะเรื่องนี้ยแล้วแต่จะเขียนไปนะในรายละเอียดต่างชีวิตต่างคนต่างเจอมันเยอะมาก เดี S 1> <S 1> ย๋ยวเป็นรายละเอียดอันนี้เรียกว่าอาคันตุ ก, กะพระพุทธเจ้าสรุปไว้ว่าแต่ถ้ากล่าวโดยสรุปทุกนั้นคือสังขิเตนะปันจปาทานาคันธาทุกะเราหัดหัดใช้เวลาหัดใช้เวลาใคร่ครวนพระพุทธวจนะที่พระพุทธเจ้าท่านตรัส ก็ต้องใช้เวลาต้องให้เวลากับตัวเองลองใคร่ครวนนะว่าส at ังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกข่ากล่าวโดยสรุปความทุกขนั้นคือการยึดมั่นถือมั่นในขันทังห้าให้โอกาสกับตัวเองลองพิจารณาดูสิประการยึดมั่นถือมั่นในขันทังห้ามันเป็นความทุกขโดยสรุปอย่างไรหรือว่าชาติปีทุกข่าความเกิดเป็นทุกข์มันเกิดอย่างไรชราปีทุกข่าความแก่เป็นทุกขมันเป็นทุกขอย่างไร มรณะปีทุกตัง้งความตายเป็นทุกนั้นมันเป็นทุกอย่างเลยหัดเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ศึกษาพิจารณาแต่ละบทแต่ละข้อแต่ละบทแต่ละข้อจนรู้สึกว่าตัวเราเองนี่เข้าไปเกี่ยวกับความหมายที่เราเข้าใจด้วยการพิจารณาของเราเองแล้วมันก็จะปรากฏนะทุกมันจะปรากฏเวลามันปรากฏอย่างนี้น่ะเออสีเหลืองมันก็ปรากฏอย่างนี้สีแดงมันก็ปรากฏอย่างนี้ สีรามเออได้ได้ได้เออีรามก็ปรากฏอย่างนี้ผลของการทำการพิจารณาถึงเรื่องของความทุกข์ตรงจิตมันไปประจักษ์เข้าใจในเนื้อของทุกข์ว่าชาติปีทุข่าเป็นอย่างนี้ชาราปีทุกข่าเป็นอย่างนี้มรณะปีทุกขั้งเป็นอย่างนี้เออมันเหมือนกันแล้วทีนี้ยังจะเกิด อ, อะไรขึ้นอะมันก็จะทาให้หน่ายในทุกข์น่ายในทุกข์ เพราะมันหน่ายในทุกนี่เวลารนหน่ายอะไรเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดอะไรขวนขวายในการที่จะเดินออกอย่างอยู่บ้านเนี้ยอยู่มายี่สิบปีแล้วหน่ายเหลือเกินหน่ายเหลือเกินเห็นแล้วมันไม่เมียเลยมันมีแต่ทุกๆุกๆทุกๆมันหน่ายเหลือเกินแล้วมันเกิดหน่ายมากแล้วมันจะทำยังไงดีนะจิตมันใครที่จะออกไปจากตรงนี้ตลอดเวลาถูกปะ นั่นแหละมันทำให้นายนายแลย้วมันจะทำให้เดินออกอาการที่เดินออกไปของจิตเนี่ยโอ้โหมันอะไรก็ออกมาอยู่ได้ไหมอืมมันอยู่ไมาอยู่ถ้าเปรียบเทียบเหมือนหญิงสาวที่มันปรารถนาจะมีสามีปรารถนาหนุ่มสักคนหนึ่งพ่อแม่ก็เห็นว่ามันยังเด็กถ้ามันอยู่ชั้นสามนุ่นข้างล่างล็อกประตูหมด แล้วมันยังปีนออกไปได้เลยเพราะมันนายตรงนี้ฮรเข้าใจป ะ, ะมันนายตรงนี้ในสมัยก่อนยุค ก, ก่อนโน้นมันไม่มีลิฟต์ไม่มีมันไดเลื่อนนะมันไม่มีอะไรกูปราสาทเจ็ชั้นนะพ่อแม่เลี้ยงลูกสาวที่ต้องทรงอยู่ชั้นเจ็ดนะคนเดินขายนายพรานขายเนื้อเดินผ่านมาข้างล่างมองเห็นดิ บ, บเออมันไปชอบเขามันจะปีนลงจากปราสาทเจ็ดชั้นได้หาทางลงจนได้อ่ะอื เพราะฉะนั้นจิตที่มันพิจารณาเห็นจนมันน้อมความทุกข์ทั้งเกิดทุกข์เราทุกข์พยาธิมรณมทุกข์แล้วเนี่ยทุกข์ที่เกิดจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายและทุกข์เป็นเด็ดตลอตทั้งหลายแหละพอพิจารณาแล้วเนี่ยมันเห็นทุกข์นี้แล้วเนี่ยมันชัดชัดแล้วมันก็มีเกิดขึ้นกับตนอย่างนี้ชัดเจนแล้วมันก็จะหน่ายมันหน่ายในทุกเนี่ยเวลาหน่ายในทุก์มันดิ้นทางหนีออกจากทุกมันไม่มีทางให้เลือกมากหรอก ใช่ปเพราะทุกข์มันเกิดที่ไหนทุกข์มันเกิดที่ขันห้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเราหน่ายในทุกข์มันดิ้นดิ้นดิ้นหาทางออกหาเราสุดท้ายเรามันไปเจอมันเจอด้วยการคลายอุปาทานะขันนี่แหละเป็นทางเดียวเป็นทางตรงคือการคลายอุปาทานะขันคลายอุปาทานะขันคือทาง พอมันไปเห็นแล้วว่ามันหนายในทุกแล้วหนายแล้วเกินหน่ายแล้วเกินหนายแล้วเกินกับรูปกับนามนี้หน่ายแล้วเกินกับการที่จะอยู่เป็นอย่างนี้ทํายังไงดีมันไม่ลงไปแล้วถ้าเปรียบเหมือนกับนั่งเท้าอยู่บนเปลวไฟมันร้อนมากแล้วมันจะต้องขณะที่ไฟไฟไฟเปลวไฟกําลังลนที่ฝ่าเท้าเราเนี่ยจิตนักธรรมน้ำยังไง มันปรารถนาเต็มที่ที่จะเอาเท้าออกมาทํำยังไงก็ได้มันต้องเอาออกมาให้ได้เออแล้วก็มันจะดึงไปซ้ายไปขวาไปซ้ายไปขวาอย่างเดียวลืมดึงขึ้นบน <c oughs> พอมีคนมาส ก, กิทบอกเฮ้ย hey, ยกขึ้น <c oughs> แต่เดิมเนี่ยมันวางอยู่อย่างงี้ใช่ไหมเปลวไฟลนเท้าอยู่อ่ะ โอ้โหลีกไปทังซ้ายมันไม่ไปยังไงลีกไปทางขวามันก็ไปทายังไงทีนี้มันทรมานอาการทรมานนั้นคือการหนายในทุกอย่างแรงทีนี้ทำยังไงดีทายังไงดีมันไม่รู้จะทำยังไงแล้วไปซ้ายก็ไม่ไปไปขวาก็ไม่ไ ป, ไไปเดินหน้าก็ไม่ไปเดินหลังก็ไม่ไปมีคนมาสะกิดเอ้ยยกขึ้นเออว่ะเหมือนกัน เหมือนกันถ้าใครมาพิจรารณาให้โอกาสพิจรารณาในเรื่องของความทุกข์ที่เกิดจากความเกิดความแก่และความตายหรือตลอดถึงอาคัรตุกัดทุกข์กที่เกิดขึ้นกับรูปนามนี้นะพอเราพิจรารณาจนจิตมันสัมผัสในเนื้อของทุกข์ได้มันจะเกิดการหน่ายในทุกนั้นมนเกิดอาการหน่ายแต่มันหาทางออกไม่ได้ถ้าเราเกิดส่วนอื่นในโลกใบนี้หรือยุคอื่นที่ไม่ใช่ในพุทธันดอน เราก็คงจะต้องกระทำกรรมอันใดอันหนึ่งเพราะการหน่ายทุกสุดท้ายส่วนมากฆ่าตัวตายสุดท้ายก็คือฆ่าตัวตายก็เพราะมันทนไม่ได้ไงมันทนรับสภาพของทุกข์ไม่ไหวในที่สุดมันก็คิดว่าฆ่าตัวไว้ตายเนี่ยจบคือการมีชีวิตอยู่ไม่สามารถรองรับความทุกข์ที่หนักอึ้งขนาดนั้นได้ มันเลยฆ่าตัวตายเพราะมันไปแต่ซ้ายขวาหน้าหลังใช่ไห่ะแต่เราเกิดมาเราเป็นไงอยู่ในพุทธันนนี้โชคดีเกิดในประเทศไทยและในทะเบียนบ้านก็ถืออะไรถือพุธถือพุธและโชคดีอีกได้เข้ามาศึกษาศา ส, สนาพุทธโชคดีที่พ่อแม่ของเราก็นับถือพุธได้พาเรามาพุธ และเราก็ได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสคําสอนของพระพุทธศาสนานี่พอพอมันหน่ายขึ้นมาปับ๊บมันก็รู้ว่าไงยกเทา้าเพราะเหมือนกับพระพุทธเจ้ามาสกิดเฮ้ยยกขึ้นหนกมันไปใช่ก็ไม่ได้ไปฝ่าก็ไม่ได้เดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้แล้วแต่มันตกความเปลวทุกข์มันแผดเผาอยู่เนี่ยไ ป, ไปมันใกล้ฝ่าเท้าทำไมดีพอเขาเขาสกิดบอกว่ายกขึ้นยกทันทีไหม ยกทันทีหมยกทันทีเอยกทันทีเหมือนกันข้อสำคัญเราก็เปิดใจพิจารณาศึกษาใครค่ครวญบทความข้อฟามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไปเป็นเรื่องอย่ารีบร้อนอย่ารีบร้อนผีผามผ่า น, านเพียงแค่เอาแต่ละข้อมาพิจารณาสิ ว่าความเกิดเป็นทุกเป็นทุกอย่างไงวะความเกิดต่อให้เราต้องไปอ่านคําอธิบายอะไรก็ช่างแต่สุดท้ายจะต้องทํามนุษย์การนะเพื่อให้จิตมันสัมผัสให้จิตมันสัมผัสกับความทุกข์อันเนื่องจากของความเกิดเหมือนอย่างเรามานั่งพิจารณาความุกบางคนก็ใช้ช่างเชิงตักกะทั้งปรัชญาเข้ามาช่วยว่าความเกิดเป็นทุกข์นี่มันเป็นทุกข์อย่างไงวะใจเรามันถึงจะรู้นะ ก็คิดอะไรไม่ออกแล้วบอกว่าก็ไอเพราะความเกิดนี่แหละความทุกข์ทั้งหลายของกูมันจึงมีเออเขาข้าวทาเหมือนกันนะก็เพราะถ้ามันไม่เกิดอ่ะไอแก่มันจะเกิดวะล่ะใช่ไหมโรคภัยทั้งหลายมันก็ไม่เกิดอกหักรักคุดอะไรต่างๆนี่ตินนึงมันก็ไม่มีก็ไอเพราะเกิดเนี่ยมันเป็นต้นเหตุของทุกข์ทั้งปวงของชีวิตเราเออได้คิดแบบตรกะคิดแบบเปรียบเทียบไอถามาใจมันรู้สึกได้ไหม ถ้าใจรู้สึกไม่ได้ก็ต้องคิดอีกต้องทำการไอการคิดแบบนี้เรียกว่าธรรมะนตริการพิจารณาพิจารณาดูความแก่เป็นทุกข์พิจารณาได้ไหมความแก่เป็นทุกข์พิจารณาอย่างไรมั่งเออวันนี้มันงอกพรุ่งนี้มันจะหลุดวันนี้เราเรียบแรงเรามีเท่านี้ พิจารณาไปเรื่อยๆนะพิจารณาให้จิตมันรู้ว่าชราเป็นทุกข์อย่างไรเกิดชรามันเป็นทุกข์สองเรื่องหนึ่งนําโรค ก, กับลดกําลังดูนําโรคมันนํามาแบบไหนวะโรคอะไรบ้างตอนนี้เรามีโรคประจำตัวยังมีแล้วมีทุกคนแหละแต่โรคทุกโรคเกิดจากชราโรคเป็นตัวนําแล้วก็พิจารณาไปจนจิตมันรับได้ให้จิตมันสัมผัสได้ว่าความแก่นี้มันคือความทุกข์ ของรูปนามนี้ถ้ามันพิจารณาอย่างนี้นางอารุณรัตน์ก็หายไปใช่ไหมเหลือแต่อะไรรูปนามถ้าพิจารณาอย่างนี้ไพรวันก็หายไปเพราะไพรวนันเรื่องของบัญญัติใช่ปะ่ะทุกที่เกิดจากความเกิดไม่ได้เกิดที่ไพรวันทุกที่เกิดจากความแก่ไม่ได้เกิดที่อรุณรัตน์ แต่มันเกิดที่รูปนามเกิดที่รูปนามอย่างนี้แล้วมันจิตก็จะประจักษ์กับความกับสิ่งที่ชีวิตทุกข์แต่การที่จะเปิดโอกาสให้เราได้ไปพิจารณาในสิ่งเหล่านี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมานั่งพิจารณา ความเกิดเป็นอย่างไงนาะมันถึงทุกข์ดูดิใครมานั่งเงี้ยฮะเป็นเาไปบ้างๆเมาไถึงนั่งคนอื่นก็นั่งดูซีรีส์เกาหลีก็นั่งเอ่ออะไรเล่นเกมนั่งทํโน่นทํานี่เราไปนั่งความเกิดมันเป็นทุกข์อย่างไงนาะมันคิดไม่ออกแลวจะให้มันประจักษ์แจ้งกับใจเราเนี่ยมันคิดไม่ออกมันทำมาหนาสิกานไม่ถึง คือมันทำมานุศิการได้โดยอาศัยบทหรื อ, อวิธีการให้มาควบคุมแล้วก็พิธีการมปอย่างนั้นไอ้หลวงพ่อบอกอาการสามสองนะ พ, พิจานาผมพิจนาโน่อนอาจจะเอาสิ่งนั้นเข้ามาช่วยนะแต่เอาเข้าจริงๆมันเข้าไปไม่ถึงในเนื้อของของทุกข์ที่เกิดจากความเกิดในเนื้อของทุกข์ที่เกิดจากความแก่ในเนื้อของทุกข์ที่เกิดจากความตายในเนื้อของทุกข์ที่เป็นอาขันตุ ก, กะเข้ามามันเข้าไปไม่ถึง ไอคนที่เป็นนี่อ่ะสี่วันคนเป็นนี่เป็นทุกข์ในโลกใช่ไหม mm hmm. เวลาเราเป็นนี่เรารู้สึกว่าเราเป็นทุกข์เราสัมผัสเนื้อทุกข์ของกรรมเป็นนี่ได้ไหม mm hmm. แต่พอเราหมดนี่ไปไง mm hmm. บางใครทำไมบางคนมันเป็นแล้วเป็นอีกอ่ะพึ่งพรหมดไปหยกห ก, กไปออามาอีกแล้วฮะทำไมเพราะอะไร เพราะเขาเข้าไม่ถึงเนื้อของทุกเข้าใจไหมจิตมันปราถนาสุขมันเลยเข้าไม่ถึงเนื้อของทุกขเป็นหนี้นี่โอ้ยทุกมากคนเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกทุกทุ ก, ทกจริงๆอะ่ะไอบางคนบอกนี่ถ้าพ้านผ่านพ้นตรงนี้ไปนะชีวิตฉันสบายพออผ่านปุ๊บไม่ทันสิ้นปีโผล่ไปก้อนแล้วแสดงว่าเขาเข้าไม่ถึงเนื้อของทุก จริงอืมก็เข้าไม่ถึงเนื้อของทุกเพราะนั้นการที่จะเข้าให้ถึงเนื้อทุกตัวนี้การทรมานาุษการเราจึงต้องอาศัยเครื่องมือที่เป็นกำลังเครื่องมือที่เป็นกำลังจึงจะสำคัญและการที่จะเข้าถึงในเนื้อของทุกนี้ที่ว่านะอย่างเด็ดขาดการเข้าถึงเนื้อของทุกอย่างเด็ดขาดได้เมื่อเข้าถึงแล้ว สภาพของผู้นั้นจะปรากฏสี่ประการจะปรากฏหลักสำคัญสำคัญสี่ประการเมื่อเข้าถึงเนื้อของทุกอย่างจริงจังได้เครื่องมือดีพอเข้าถึงเนื้อทุกแล้วจะปรากฏของดีสี่เรื่องแน่นอนและที่สำคัญไม่ไปอบายแล้ว ไม่ไปแล้วอาา่ะไปคนอื่นไปไปเหอะมันไม่ไปอาบะไเพราะอะไรเพราะมันรู้ถึงความร้อนของเปลวไฟเท้าที่มันเคยอังอยู่บนเปลวไฟเนี่ยมันรู้แล้วว่ามันแผดร้อนขนาดไหนเมื่อมันยกขึ้นมาจะให้มันเอาฝ่าเท้าเดิมไปวางไว้บนเปลวไฟนั้นมันไม่ทำแล้วหรือจะทำถ้ามีคนคนหนึ่งอ่ะเอาฝ่าเท้าวางไว้บนเปลวไฟ รู้ใช่ไหมว่ามันแผดร้อนขนาดไหนแต่ยกมันมันเอาออกมาไม่ได้จนในที่สุดได้ยกออกมาจะให้คนเนี้ยไอ้คนเดิมอ่ะนะให้มันยกเท้าไปวางไว้บนเปลวไฟอีกมันจะวางไหมไม่วางเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อมนสิการได้ถึงเนื้อของทุกปรากฏชัดแล้วเขาจะมีคุณสมบัติสี่ประการแน่นอน การทำมานุษย์การเพื่อให้ถึงเนื้อของทุกที่ว่าเนี่ยมันเลยจะต้องจะต้องทําไงจะต้องใช้เครื่องมือเข้าช่วยและเครื่องมือที่จะใช้เข้าช่วยนั้นจะต้องฟังมาจากผู้ที่รู้จริงผู้ที่รู้แจง้งผู้ที่เข้าถึงที่สุดครบทุกกระบวนการไม่เล็ดรอดออกไป แม้แต่อย่างเดียวก็คือพระพุทธเจ้าเครื่องมืออะไรที่พระพุทธเจ้าให้เราใช้เป็นตัวนามัสสุมานัสิกาลเออไมไม่มีรางวัลไป <laughs> จะให้อันนี้ก็เสียดาย <laughs> <laughs> ต้องใชอเลยสติตัวเดียวพอไหมตัวเดียวก็พอถ้าสติตัวนั้นแน่จริง สติที่แน่จรงิงคือสติที่มีสมาธิและปัญญาอยู่ในนั้น <ś led> ก็คือต้องใช้สติสมาธิและปัญญาใช้เครื่องมือนี้เครื่องมือนี้อยู่ที่ไหนอะรูปนามรูปนามที่ฝึกฝนอย่างถูกต้องใช่ไหม sake, สติที่เรามีอยู่ของแต่ละคนเนี่ยถ้าเราสังเกตว่าเราเอาเข้าไปใคร่ครวรพิจารณาแล้ว จิตเราไม่สามารถเข้าถึงในเนื้อของทุกได้สแสดงว่ากำลังของสติมันยังไม่พอกำลังของสติสมาธิและปัญญามันยังไม่พอมันจึงต้องเอาใหม่อีกนั้นพระเจ้าจึงบอกว่าภิกษุทั้งหลายอันทีข้อธรรมอย่างหนึ่งนะเรียกเอกธรรมโบทาอันหนึ่งเมื่อบุคคลอบรมแล้วทําให้มากแล้วม เมื่อบุคคลอบรมแล้วทำให้มากแล้วจะทำให้ของสี่อย่างสมบูรณ์ของสี่อย่างที่บุคคลอบรมแล้วทำให้มากแล้วจะทำให้ของเจ็ดอย่างสมบูรณ์ของเจ็ดอย่างที่บุคคลอบรมแล้วทำให้มากแล้วจะทำให้ของสองอย่างสมบูรณ์เออเริ่มต้นตรงไหนอ่ะเริ่มต้นตรงที่ ของหนึ่งอย่างใช่ไหมเอกธรรมโบแปลว่าทำหนึ่งอย่างอันบุคคลอบรมแล้วทําให้มากแล้วทําให้ทำสีอำส่อย่างบริบูรณ์ทำสี่อย่างอันบุคคลอบรมแล้วทําให้มากแล้วทําให้ทำเจ็ดอย่างบริบูรณ์ทำเจ็ดอย่างอันบุคคลอบรมแล้วทําให้มากแล้วจะทําให้ทำสองอย่างบริบูรณ์มันเริ่มต้นที่ไหนทำหนึ่งอย่าง ไอ้ทำหนึ่งอย่างนี้โอ้เป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากที่นี่พระพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุทั้งหลายถ้าเธอเดินออกไปข้างนอกเจอพวกนอกศาสนาหรือเจอคุณระเบิคุณฤธิดาเจอผู้คนทั้งหลายเขาถามเธอว่าศาสดาของเธอเมื่อเป็นศาสดาแล้วอยู่ด้วยอะไรเธอจงมั่นใจและตอบพวกเขาไปว่า ศาสนาของเธออยู่ด้วยทรหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างนี้ก็คือว่าหนึ่งอย่างอันเดียวกันกันกบอนันต์แหละภิกษุทั้งหลายเธอรู้ไหมเมื่อคราที่ตาดาคตยังเป็นโพธิสัตว์ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตนั้นมีทรหนึ่งอย่างที่ตาดาคตถือเป็นเครื่องอยู่ทำหนึ่งอย่างนั้นคืออะไรก็คืออ น, นันต์น่ะโอ้ เมื่อตาตาคตเข้ามาถือบวชมีทรหนึ่งอย่างที่ตาตาคตอยู่กับทำอย่างอย่างนั้นทรหนึ่งอย่างนั้นก็คือทำอย่างอย่างนั้นแหละเราได้เที่ยวสะวะหงาสิ่งต่างๆเพื่อให้บรรลุถึงอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแต่เราไม่สามารถบรรลุถึงได้เพราะเราขาดทรหนึ่งอย่าง เมื่อเราหันกลับมาอยู่กับทาหนึ่งอย่างได้เราก็ถึงอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณทาหนึ่งอย่างนั้นก็คือทานั้นแหละเมื่อเราจจะรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเราก็อยู่ด้วยทาอย่างหนึ่งทาอย่างหนึ่งนั้นก็คือทานั้นแหละนี่เราก็พูดถึงเรื่องอะไรเรื่องเรื่องอะไร ทำอย่างหนึ่งคือเออเข้าใจไหมคืออาณาปานสติเป็นเอกธรรมโมเป็นธรรมอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเรามาตลอดตลอดจะได้ยินที่ธรรมมาพูดอยู่ประโยคหนึ่งว่าลมหายใจอย่างเดียวได้ทุกอย่างอืมจากเดิมที่เป็นใหญ่ๆญ่โยอย่างนี้ใช่ไหมคือ สติสมาธิปัญญามาจากอะไรญญาอาณาปานาสติเ น, าา น, านมือไม้นี่มันอันตรายเนาะ <c oughs> สติสมาธิและปัญญามาจากอาณาปานาสติเอาเดี๋ยวนี้ไลายฟังให้จบก่อนเมื่อกี้บอกพี่พี่เจ้าบอกทำอย่างหนึ่ง เมื่อทำให้บริบูรณ์จะได้ทำสี่อย่างสี่อย่างคืออะไรอะ <4. S 1> คือสติปัฏฐานสี่อ้าวสติปัฏฐานสี่เมื่อทำให้บริบูรณ์จะได้ทำเจ็ดอย่างโพธชงเจ็ด <5. S 3> <5. S 1> ถ้าคนที่ไม่เคยรู้เรื่องรู้ราวเลยนึกฟังนึกเบอเบอร์นะมันเหมือนวุ่นวายมากอะไรวะเยอะแยะไปหมดเลยทำเจ็ดอย่างเมื่อทำให้บริบูรณ์แล้วจะทำให้ได้ทำสองอย่างคือ วิชาเลยวีมุตจบยังอะ่ะถ้าได้วิชาเลยวีมุตอ่ะ จ, จบแล้วใช่ไหมจบแล้วถอยกลับมาเราจะไม่ไปไกลกว่าที่จบแล้ว <c oughs> เราก็ถอยกลับมาถอยกลับมาถึงทำอย่างหนึ่งอะ่ะ <c oughs> พระพุทธเจ้าบอกว่าเราอยู่อย่างไรเมื่อตอนเราเป็นเมื่อตถากตได้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็ปิกษูทั้งหลาย โซสโตสโตสโซสโตอาสัสสามิสโตปัสสสามิเรามีสติหายใจออกเรามีสติหายใจเข้านี่เป็นพระเจ้าแล้วนะเออที่คั้งว่าอาสัสสันโตที่ครังอาสัสสามีติปะชานามิเรารู้ชัดว่าเมื่อเราหายใจเข้ายาวเราก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว ทีครั้งว่าปัตสัทสันโตดีครั้งปัตสัสมีติปัจานามิเรารู้ชัดว่าเมื่อเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้ายาวเราก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวรัตซังว่าอัตสัทสันโตรัตซังอัตสัสมีติปัจานามิเมื่อหายใจออกสั้นเรารู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นเมื่อหายใจเข้าสั้นเรารู้ชัดว่า เราหายใจเข้าสัาน้นพระพุทธเจ้าเมตตา ม, มากที่ตุกจัดแบบนี้จัดเพื่ออะไรเพื่อให้เรารู้เมื่อท่านจัดครบเสร็จแล้วท่านบอกว่าแล้วเราก็สอนพวกเธอว่าให้พวกเธอจงรู้โซสโตวอัดสติสโตปั ส, สติมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้า ที่คังว่าอัตสาสั้นโตดีคั้งอัตสามีติปะชานาติเมื่อหายใจเข้ายาวเธอจงรู้ว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวเธอจงรู้ว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นเธอจงรู้ว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นเธอจงรู้ว่าเราหายใจออกสั้นก็สอนสอนเราเหมือนกับที่พระองค์ ทรงทำให้ดูเรามาเราเรามาปฏิบัติตามเรามาไปอยู่ตามพระเจ้าเนี่ยเราเราไม่กล้าพอเราไม่กล้าจริงกับการที่จะไปปฏิบัติตามเพราะอะไรเพราะสัญญาของเราที่มันร้อยรัดใจในหัวข้อที่ว่าอีทังสัจจะพินิเวสโสกายะคันโถเครื่องร้อยรัดใจว่า อันเกิดเนื่องจากการยึดถือสิ่งนี้ว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อันมีอยู่ในใจของเราคนนั้นว่าอย่างนั้นไอ้คนนี้ว่าอย่างนี้โอ้ยไม่ได้หรอกเพราะเคยอ่านมาว่าอย่างนี้มันไม่ได้มันต้องอย่างนั้นอ่าอย่างนั้นก็คงนึกว่าอย่างนี้เยอะมากเรื่องราวพวกนี้เรียกว่าอีทังสัจจพิเนเวโสกายะกันโศเครื่องร้อยรัดใจจากการที่ลงเห็นว่าสิ่งนี้เป็นอย่างนี้ อันเป็นสัญญาณในใจของเราหลายคนหลายคนใช้เวลาในการนั่งสมาธิที่นี่ยมาที่วัดพระใหม่มาบวชขอร้องเดินจงกรมวันละหนึ่งชั่วโมงพอเมื่อวานแกก็เดินเดินเดินเดินเสร็จแกก็มาถามเดี๋ยวนี้เรามีแชทใช่ไหมใช้ให้มันเป็นประโยชน์แกก็ส่งข้อความมาถามหลวงพ่อครับผมเดินแล้วมันมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผม ผมต้องแก้อย่างไงเออบอ้ไม่ต้องแก้อะไรมกเดินไปรักษาระดับได้หนึ่งชั่วโมงนี่เอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเพราะว่าไอตัวที่แก้คืออะไรรู้ปะ่ะตัวที่แก้คือของจริงที่พระพู้ไดเจ้าสอนเท่านั้นเอออย่างอื่นนี่มันว่ากันไปตามกิเลสของผู้สอนว่ากันไปตามความถนัดของผู้สอนแต่คนปฏิบัติอย่างเราเราเนี่ย มันจะประสบผลที่เป็นจริงอย่างนั้นหรือเปล่าว่าเส้นทางของเราที่ชื่อว่าสมโพธิมุต ท, ที่เราจะเดินเข้าไปจนกระทั่งให้มันถูกต้องในเส้นทางเนี่ยเหมือนเราจะไปเชียงใหม่ตีตั๋วรถไฟที่หัวลำโพองอันนี้เขาจะกำลังจะยุบแล้วย้ายไปที่ใหม่ก็ค่อยเปลี่ยนนะเอาตีตั๋วรถไฟที่หัวลำโพงตั๋วก็มีรถไฟก็จอดเราขึ้นขบวนรถแล้วรถเคลื่อนแล้ว ในระหว่างเส้นทางผ่านสถานีอะไรมัง่งแก่งคอยสระบรุรีว่าไปเรื่อยเรืยืยแต่ละเส้นทางนั้นโอ้ยเดี๋ยวเจออย่างนั้นเดี๋ยวเจออย่างนี้เดี๋ยวจนช่างมันเราไม่ลงจากรถไฟเด็ดขาดถ้าตราบใดตั๋วยังอยู่ในมือตัวเรายัางอยู่บนรถไฟรถควยกาลังเคลื่อนอยู่ไปข้างหน้าและเราไม่ลงจากขบวนรถเรายัางเป็นผู้เดินทางอยู่ในเส้นทางอืม เพรความแน่วแน่ในพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากในเส้นทางนี้พระพุทธเจ้าไม่ใช่บุคคลพิเศษไม่ใช่ผู้ประเสริฐเลิศเลยอภินิหารอะไรนะแค่มนุษย์คนหนึ่งที่ใช้พระองค์เองใช้ตัวเองใช้รูปนามเข้าไปศึกษาคนา้นคว้าหลักเกณฑ์ของธรรมชาติว่ามันมีอะไรมั่งทําอย่างไรมั่งมันถึงจะอยู่กับโลกนี้ได้โดยที่ไม่ต้องทุกข์ แล้วในที่สุดพระพุทธเจ้าก็พบพบแล้วนำมาสอนสอนแล้วมีคนทำตามทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนไม่วอกแวกในที่สุดมันก็ได้ผลได้ผลได้ผลได้ผลมันสืบท อ, อดกันมาถึงเราในนามพุทธศาสนามันเราก็ต้องอย่างนั้นน่ะต้องแน่วแ น, วนว่มั่นคงอเพราะว่าพอเราตือนตามที่พระพุทธเจ้าว่าแล้วเนี่ยทาอันหนึ่งให้ได้สี่อย่างสี่อย่างให้ได้เจ็ดอย่างเจ็ดอย่างให้ได้สองอย่างที่ว่าเนี่ย พอพอแน่วแน่แค่แน่วแน่อยู่กับลมหายใจอืมแน่วแน่อยู่กับลมหายใจอย่างเดียวพอเราได้จริงๆเราก็ได้สี่อย่างหนึ่งอะไรมั่งอาอะไรนะอ่าก็ยัง สี่อย่างที่เราจะต้องได้แน่ๆถ้าเราแน่วแน่อยู่กับลมหายใจนะหนึ่งความเชื่อในพระพุทธเจ้าจะไม่วันไหวอีกต่อไป 2. ในแห่ของทฤษฎีจะมั่นคงอยู่ในพระธรรมคําสอนอย่างไม่วันไหวอีกต่อไป 3. ในแห่ของกลุ่มบุคคลจะมั่นคงอยู่ในอริยสงฆ์อย่างไม่วันไหวอะไรอีกต่อไป 3. ที่จะได้เห็น อแคทไปนั่งจุดทูบอยู่ใต้จอมปลวกไม่มีแล้วไปว่าเดี๋ยวนี้ยังมีไหมไ ม, ม, ไ ม, ม่มีไม่มีแคทนี่ไม่มีไม่มีแล้วที่ไปนั่งวงวงวงเวง้วงอยู่ใต้จอมปลวกไม่มีแล้วแม้นว่าไปแต่งงานกับตระกูลที่เป็นมิจฉาทิฏฐิพ่อแม่สามีนับถือชีเปลือยนับถืออะไรแต่ว่าอันนี้อยู่ได้สบายไม่มีวันไหวเลย สามอย่างนี้แน่นอนประการที่สี่ที่จะได้คือจะมีปกติที่อะไรนิเพทภาคียาสินศีนนั้นจะเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องไปสมาทานไม่ต้องไปวิรัตแต่มันเป็นกระบวนการของศีลที่เป็นธรรมชาติของใจที่มีปกติไม่ไปละเบิดไม่ไปละเบิ ด, ไ ม, ไ, บดไม่ไปละเบิดในส่วนต่างๆอันทำให้เกิดอกุศลก่อจิตสี่อย่างนี้มันจึงเกิดขึ้นทันที ถ้าเราแน่วแน่แค่เราแน่วแน่ต่อลมหายใจนะคือจะมั่นคงในพระพุทธเจ้ามั่นคงในพระธรรมคำสอนมั่นคงในพระสงฆ์มั่นคงในศีลของตนเะอันนี้เขาเรียกอะไรไไฮะโอ้ยไุยไปอ <laughs> บันก็บัน <laughs> อันนี้เรียกว่าโสตาปติกังคะจะไปพูดว่าโสนาบันเดี๋ยวคนอื่นก็กลัวนะเราเรียกโสตาโสตาปฏิกังคะโสตาแปลว่ากระแสปฏิโสตาตโสตาปฏิกันขะคือว่าเป็นองค์แห่งทางเดินเข้าสู่กระแส เป็นองค์เง่งทางเดินอันเข้าสู่กระแสกระแสคืออะไรกระแสคือเส้นทางที่ชื่อสัมโพธิมุตสอมนการ์ดมสัมสราโอพพาลททงสราอิมมาสะระอุตเตา่ตาตเต่ามมาสัมโพธิมุตตะมะใสการันทีิมมะก็อ่านว่าสัมโพธิมุตไม่ใช่ไปสัมโพธิมุตมมาสระอุตเต่าสราอิไม่ใช่นะ <c oughs> คือเข้าสู่กระแสเป็นทางเดินที่เข้าสู่กระแสจึกแน่นอนเรียกว่าถ้าว่านั่งรถไฟป่านนี้ก็เลยเพชรบุญเลยเพชรบุญเอ๊ะนั่งรถไฟนี่มันเสี่ยงมากนะเออ บางทีไปเจอ้อุตราดิตไปเห็นสวนดอกไม้สวยดอกสวยงามระรุ่นตาโอ้โหเพลินลงการเดินทางเป็นไงสิ้นสุดใช่สุดสิ้นสุดแล้วเดินไปอยู่ในไอ้ป่าดอกไม้นั่นในที่สุดเจอสัตว์ด้วยเกี้ยวขบ ตะขาบมั่งแมงป่องมั่งอะไรมั่งจนโดนโอยแย่แล้วมันนึกถึงไอ้ฉันไม่น่าลงจากขบวนรถนี้เลยอืมเสร็จแล้วจะขึ้นไม่ได้นะต้องกลับมาตีตัวใหม่ <c oughs> ก็จะต้องพยายามหาทางหาทางหาทางหาทางาท า, งามจนกระทั่งมีค่ารถค่าราเพื่อที่จะมาถึงกรุงเทพเพื่อหาทางที่จะตีตัวไปเชียงใหม่อีกทีก็เหมือนกับเราเนี่ย เราก็ใช้ชีวิตใช้รูปใช้น้ำเนี่ยอยู่กับความหลงความเพลินว่าเราสวยมั่งเราหล่อมั่งเราสูงมั่งเราต่ำมั่งเรารวยมั่งเราจนมั่งเราดีมั่งเราไม่ดีมั่งเราเพอร์เฟกเราไม่เพอร์เฟกเราอย่างนั้นเราอย่างนี้ใช้อำนาจของความหลงพวามณ์เพลินให้ตัวเองรูปนามนี้เข้าไป สุดท้ายเวลามันใกล้จะตายอ่าไอ้นั่นก็ไม่มีไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นั่นก็ไม่ใช่ไอ้นูนก็ไม่ใช่ไอ้นูนก็ไม่ใช่แต่ไปไงตายใช่แล้วพอตายเสร็จส ภ, ภาพจิตมีองค์ประกอบเป็นอย่างไรมันก็จะไปอยู่ในภพภูมิที่มันควรจะเป็นถ้าไปได้ไปเกิดอยู่ในอบายแตว่าสมมติรไปอยู่นระกนื่นนาะนก็ต้องหาทางกลับมาเกิดในภพภูมิต่างๆก็ฝึกฝนอบรมฝุกฝนอบรมเพื่อที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ และก็ได้ประคับประคองตนเองเพื่อที่จะเข้าไปสูเส้นทางนั้นอีกทีหนึ่งได้มีโอกาสมาเจอพระพุทธเจ้านานมากนะนานมากนะเหมือนอยู่หลุดที่อุตริดนานมากนักว่าจะได้มีตังมาหาทางมันอยู่อย่วัวลำพงแล้วจะได้ตีตัวอีกทีขึ้นเชียงใหม่เนี่ยก็เหมือนกันนะนั้นเราต่างกับสัตว์เหล่านั้นเพราะอะไรเพราะเราฮะ บางคนก็อยู่ที่หัวลำโพงแล้วบางคนเห็นเวลารถออกไปเชียงใหม่แล้วบางคนตีตั๋วแล้วบางคนนั่งอยู่บนขบวนรถรถกำลังจะออกแล้วบางคนกำลังรอกาลังจะรอเวลาเปิดประตูซื้อตั๋วแล้วเรียกว่าเราเกิดมาครบครันต้นพุนเราครบหมดเลยหนึ่งเราเป็นมนุษย์สองได้มีโอกาสพบพุทธศาสนา สามได้เข้าใจในคําสอนของพระพุทธเจ้าครบครันหมดทุกอย่างเลยถ้าเราปล่อยให้จังหวะนี้ผ่านไปแล้วบางคนก็กําลังนั่งอยู่บนรถไฟได้กําลังนั่งอยู่นะตอนเนี้ถ้าเราปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปเฉยเฉยปล่อยให้รูปนามนี้มันแก่แล้วตายไปกับความหลงความเพลินเฉยเฉย เราจะเสียหายมากเสียหายจริงๆถ้าเรานั่งและย้อนลงไปนั่งอยู่ในอบายและมองกลับขึ้นมาหาชีวิตของเราที่อยู่เป็นตอนนี้นะกับไฟนะรกที่มันแผดเผาอย่างระอุเลยเออแล้วเรามองขึ้นมาชีวิตเราตอนนี้นโอ้โหมันนั่งอยู่นั่นนะท่านอาจารย์ทุศี่มันนั่งเทศน์นั่งสอนพาเราปฏิบัติเราก็แมมนั่งหลับนั่งง่วงนั่งโงกเขบอก ไม่น่าดือเลยเนี่ยมันมันเคยเกิดมาแล้วนะเออมันเคยเกิดเรื่องโลกนี้มาแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะปล่อยให้รูปนามนี้มันแก่ตายไปกับความหลงความเพลินเฉยเฉยมันได้เวลาที่จะต้องเอาให้มันจริงจังขึ้นมาเพราะฉะนั้นเอกธรรมโบธรรมอันหนึ่งเรียกว่าธรรมอันเดียวที่เมื่อทาให้บริบูรณ์แล้วจะทาให ได้ทุกอย่างได้ทำนั้นคือนั่นก็คืออะไรอนาปานาติแปลว่าแปลว่าสติแปลว่าอย่างระลึกอาณาปานะก็คือลมหายใจไหลออกไหลเข้าแค่นี้เองนะโอ้พระเจ้าพวกเจ้าเนี่ยสั่ง ประเสริฐแท่แนะเอาเรื่องนิดเดียวมาสอนเพื่อที่จะเหมือนกับเอากุญแจดอกหนึ่งให้เราไปเปิดประตูมหาสมบัติโอ้โหแค่แน่วแน่กับลมหายใจอย่างเดียวดูสิได้ทุกอย่างอานาปาณสีไปว่าอย่างระลึกลมหายใจข้าวออกหรือออกข้าวนั่นแหละอาณ ะ, ะคือออกปาณนะนะคือข้าว